การสุดมนต์ถือว่ามีส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยบำบัดในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสถาบันบรรุวีซึ่งเด็กรู้กันว่าสถาบันธรรมชาติบำบัดได้ทาหน้าที่นี้เป็นเวลานานจะได้รัฐนารธรรมภาพมาช่วยอธิบายในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้เกิด ความคิดใหม่ขึ้นมามีกรุ๊ฝรั่งที่เขาเป็นพวกซูปร์จนฮีเลอร์คือผู้รักษาโรคด้วยพลังจิตเขาได้ข่าวว่าช่วยให้คนที่เครื่องสมองดับหรือทางการแพทย์ว่าจะว่วตายแล้วก็ทำให้ฟื้นขึ้นมาได้โดยการสวดมนต์กลุ่ฟฝรั่ง่มนี้ก็เลยมาขอร้องให้สอนวิธีที่จะช่วยให้ ให้คนฟุ้นขึ้นมาก็เลยอธิบายเขาว่าการสวดมนต์ที่ตามธรรมเนียมของพระเมื่อใครเจ็บป่วยเขานิมนต์ไปก็สวดมนต์ให้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเสริมบุญเสริมบา ร, รมีหรือสอนเจ้ากรรมในเวรเขาก็ขอสวดให้ฟังฉันไม่ได้สนใจหรอกขณะที่สวดนะอะไรมันจะเกิดขึ้นได้แต่ฟังเสียงของตัวเอง เหมือนกับฟังเทศของพระเจ้ามีปิติในการที่เหมือนกับได้เฝ้าพระเจ้าและฟังเทศของพระเจ้าตัวนี้เองอะไรจะเกิดไม่สนใจก็เพราะอาจารย์ขณะที่สวดมนต์ทำเสียงให้เกินเจ็ดเสียงคีนอตคนงดนตรีมีเจ็ดเสียงดนตรีมีไว้เพื่อที่จะให้เกิดปิติเกิดความเพลิดเพลินเจริญใจ การที่ทำเสียงให้เกินจากเสียงอันนี้ยิ่งเพิ่มพลังปีติถ้าจะพูดแบบพูดก็คือว่าทำให้เกิดปีติสุขทำให้เกิดอง์ชานขึ้นมาเมื่อชานเกิดสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ทำให้เกิดอภินยาอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ชาวพุทธกดไปรู้กันนี้เป็นเหตุให้ได้มีการ แสดงให้ชัดเจนก็เลยเชิญอาจารย์แนบ ส, สุธิพันธ์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องอการใช้เสียงพลังเสียงในการบำบัดก็เพื่อมาแสดงให้ดูว่าเสียงเจ็ดเสียงหรือเกินนั้นเป็นอย่างไรก็เลยมีเครื่องดนตรีมาประกอบอันนี้เองเป็นเหตุที่ทำให้เกิดรายการนี้บางท่านที่ไม่เข้าใจก็อะไรพระทำไมมาสนใจเพลง หรือบางท่านอาจจะเขาพระมาร้องเพลงอะไรไม่ใช่เปียนแต่แสดงให้ดูว่าการสวดมนต์ถ้ารู้จักเน้นเสียงตามหลักของไวยากรเรียกว่าฐานกรุธที่เกิดของเสียงถ้าใครรู้เรียนเรื่องพลังกุณฑรนีหรือพลังนาคปลวกก็จะรู้ว่าเสียงต่างๆมันกระตุ้นอวัยวะต่างๆยันเชียงสระทั้งหมดมันกระตุ้นที่คอะ แต่ว่าใครต้องการที่จะให้เสียงดีก็ต้องพยายามออกสระต่างๆบ่อยๆหรือเป่งเสียงคําว่าโอมคําเดียวก็จะสามารถทําให้เสียงได้ดีอย่างเป็นต้นฉะนั้นถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ก็จะมีใจกว้างในการที่จะรับฟังว่าเสียงสวดมนต์ถ้าเข้าใจสวดแล้วมันเป็นเสียงดนตรีซึ่งสอดคล้องกับดนตรีที่ อาจารย์แน่ตที่พันจะได้แสดงให้นูดังต่อไปสมนตตา จังเวาเลซุนอันตรกัจฉันตุทิวตาสจตมังมุนิราชานสุนันทุสักกมุกตะง ปริตานุพาวันสัทธารักขตุนเตยมปรินนมิตังสเมตาทันตาอาวิกิตจิตตปริตังปนันตุวักงกามิ จรุมเปียเกีติขารตติยจันทิววิมานีิเปรเทอยนจะเข้เมียตรวนอการในเกียรติมีเกตีมุมมันทานอยู่ยตุล วังกมพระราชามยมราชาอินทุเวสวันราชามอริยมินตจยุมโพธิสัตว์ตาวังกันใจยุ่มอริยสาวกกัรจะพุทุจนาเกลยานานจะสัมมาทิฏฐิ เยาวาพุทธิม菩สนาธรรมเมฆ菩สนาสังเขม菩สนาพุทธิอนสังคารวานธรมเมสังครวานสังคีสังครวาอิตุงฐานตุยาวะปรัมปรา อิมัสมิงสุจักวาเรสุเอวัตยังมุนิวราวัจนังสารุเมียุนันตุนธรรมมัจจวันังกาลูยัมปันตัง มัจวันนกาลูอายัมบทันตาธรรมมัจวันนกาลูอายัมปทันตา สามพกาวันตูราตูสัมมาสัมพุทธสันนโมตันสามพักาวันตูราตูสัมมาสัมพุทธสันนสามูราสันนโมตันสามพักวันตราตูสัมมาสัมพุทธสันนสาังาวันตัาพัน จรังกัญชามีดมังชีวิตังยาววันนี้พานังจรังกัญชามีสังหังชีวิตังยาววันนี้พานังจรังกัญชามีรูติยามบิปุตังชีวิตังยาววันนีพานังจรังกัญชาม ดิยำเป็นธรมมังชีวิตังยาวันนีพานังสนังขันธามีดิยำเป็นสำคัญชีวิตังยาววันิีพานังสนังขันธามีการตียำตีผุดดัง ชีวิตังยาวันน a ้พานังตระังกันชามีตันติยำปนทรรมชีวิตังยาววันนพานังตระนังกันชามีตันติยมปสังังชีวิตังยาวันนพานังรังกันชามี ยิติเตุปักวารังสมมาสัมพุทโธมิชานจรณะสัมปนุสุกตุโลกวีทัอนุตตรโมปุริสัรถมัสสารติภัตตาเทวมนุษยนังกุฎูปังกวานตีสวางคานตูปังกวานตาจมวั ดันทินงติ้งกูอากิรกเอ๋ยปฏิ้กูอุมปัญจิกูันปัญจตังเวทิตาผูมีอยู่เอติปติปนุัฒกวตูสาวกจังกูอุนจุมปติปนุังกวตู ตาวกัตรกัตริยกยม้าปนิยัตริยกษัตริกัตรกัริย์กษัติย์กษักษัตกตรสย์กัตสัยกัยติยัตรัริตริษริยตยัติัตริษตริริย์กรกติัตริยกกตริักัั เอาในยวอมป้าวในวะนักกินในวะอันจะลิงกระิยวนันุตรังคุญญาเกณตั้งลูกกันสานติงนะโมเเมสสัมพุทธานังนวัติงสาวรังกันตั้งนังรุมหาวิโุเมตังโร มายาโสระนังกรโลูกโตนติังกัลโรุจินตรวนโนดันยุนชนะปามโมคมังกัลวะปุลิาสพุทมโนตุมโนติโรเรวตุรัติวัตโนโสปิโตคุณสัมปนวะอนุมตเสยชนะโมปตุโมโลกัปปจุตุนราตั วรจารติภูมิสัตวโรุเมตัวปฏิปุกระวัวดูจารตปโรกงกพิยตัินราตพูรตสิการุณิโกอัมมติมโนตสตตัวสมโลเกติสูนจรุงบุตูปนิจันปโมติกิสัมภัยตัวกถาเวตบบสุกตัญญกักกุสันฑูร การทาวคู่นักมนุรนันจจ้ากันสบติลิัำปนโคต์มอมกเงีบุงเข้วอวีสติเมพบเทยังวันทามิสัพาเตสัญญินนาสิเลนอันติไม่ดมปรินเจปินวอนุรกันตุอรูเกเยนสุเกณจารวีสติเมพบเทอยู่ รูระรนังกตงกมปานใสัติสานิทุกติงตูนนาคจติอจวีติพุทธปาลิตังเหสันตานันตาจิตาติสรนัตตรนาเหตรู้กันเรวบุมมาบุมมาจติวาคุณกนคขันพยาวาปัการัง เอเตยันตุเดวะวรกนกรัมเมย์เมรุราชิวัจนโตกันตตใจตุ้มนิวรวาจนนังโสตุมากังพระมากังสภสุจักวะเลสุญญากาที่วันจะระมโนยัางมีกะตังคุณอย่างสัพสัมปติศาธะกัง จ่เพตังอนุโมทิตวันสมคสาสเนระตามพมาตรายตาหูตูอารักาสุวิเศนสันตุสาสนัจจุฬานุดีปวัตุสะปะทาน อาสนำเจรลรูกันจะตีวารักันทุสัปปะากระติงนตุทุขีสัตเหริวารีหัตโนอันนี้ข um. ้าทุมนาอุตุอัตเปหิยะติปิราชัตุวจุระตุวมนุสตุอัมนุสตุวากิตุวะุระกตวงปิสานจะตุวพันกันตุว กันกตัวนักตาตวจะนัปัจจุบนตัวอาศัตธีรมตัว u ัณฑิตตวอาศุริสตัวจันดาติอาศมิกาโนกคุระวิจิกมนิสัพพิภิจัตรรสสุกระมัยงการยกรกระตันินัาปียตัววานารกตัว นาณาปะวะตุวะอารังขันตุวัปณิธานาตูวะปัญญาตถาคตสาทสาปารมิยโยทัสสะอุปปัมทัสสะปรมามิยโยปัญจมาปริจเกติสุจริยาปิมมะปเอขปวะกันติงชาติ อาปินิกรรมนังปนญฐานจะริยังหูที่พลังเกมารวิจยยังอาปัญญยแต่ยานปฏิเวทังนวโลกุตรธรรมเมตสกุลเปเปเมกุระุณในอวจิตวเวสาลยติตุกกรนตริสุติยามราติง จิตตังกรุนตัวายสมาณัตเตรูญากรณยจิตังอุเรมเป็นตัวปูนติสตสหเสซยักวเลนสุทวตายสนาปฏิคัหันตียันเจวิสาลิยมกุเร รูขามนุสย์จะกาสัมภูตันติวิธรมปัาหิบมันกระทาเป็นเจนปริตันต์ดำปนา ม, มัยยานีพุทานิสมะกฐานิขุ ม, มานิวายานิวัตริเกตสเปวะพุทธานุมนาปวานันโต อปิสกจตุนันไปตั้งตัมยผู้านเสนเดเปรมีตั้งกรุณามนุสยาประชายที่ว่าจระตะวนการตเยปริตัดมานิรกตมตายังกินชีวิตัอิทวรังวัดถาเกิดวย่งรุนแปณิตังโนธมรมทิตตานเตินยํไม่บุตรรนแปณิตั้ง อเตนะสเจนะสุวัติหูตัวกิยังวิราคังมะตังปณีตังญาทัตยาคาตะกิมิสมัยตันะเตนะดัมมิสมัติเกณเ์เจดัมไปดัมเมนะจังปณตังเอเตนะสเจนสุวัติหูตัวยมกุรเตต ปริวญเยจุจริงสมาธิมานันดริกัญญามหสมาธินาตินัสมุนนวิจติบิดังบิดังรักนันกันกันเห็นเตนอาจารเจนสุวัติหูดนเยามุขรา อันัตตังปะฏิสตังจันตาเรตานิยุคานิวณติเตนตะกินายังดูกาตสสกัตเอเตุตินานิมะปรานินับิสังเกลรัตนังปณิังเอเตนะสัจเจนะตัวจิหูตัวเยลปุรานเยสตา มนฑาธาเนนในกามินูผูจธรรมศาสน้มมิเตมปฏิปตาอรามตังวิไคยลัดธรมุตรานิูุติงคุณจะมาในธรัมปิสังเกียรัดนั่งปณิทังเอเตนตจเเจนสวัสติหูสุยาตินดกีลบุตรวิงติโูสิยาน เจนุบีวาเตพิอาสัมภกรมปิววะกะดูปะมังสัมปุิสังวรธรามะปิโยริยสังจันเวจภาพติปิธัมมปิสังเกตุรตนงปณิตังเอเตนะเจนะสุวัตถิหูตุ เยอะริยสัญจานิวิปาวญาติธอมพีรปญเยนสิจามจะมิติหูดุสสปมมาตานาเตมภวังตมะมาทิญาติที่ธรมปิสังคียรตันังปณิจังเอเตนะสัจญะสุวัติหู วัสนัตสนะจำปัาจะยัสุธรรมาใจตามปวันติรกยญาติที่วิจิกิจสันสีลประตังว่พิยทันไดกินเจจะตัวปาเยจวิปปมุดัวจะฌาปปนาเนีะปุงการตรงนี้ทำปิสังกินั่งปณิทังเอเตนะสเจนสุวัติหนู จปีสุวรกรมมังกรที่ผ่าประกรกายว aja เจนว่าปภูโตตัตสัติชะทายาพปัปสัพพดัตตบุตากิธรมปีสังเขารตนังปณิตังเอเตนะเจนะสุวติหูนตู นับภูมิยานามุจิตังเกอิมหันมาเตอปชมัจสมิงกิเมินตะทุบมังธรรมวรวรรธเตสัยนิพพานข้ามิงปรมังยิทายธรรมบิดเดอหลุดนังปณิตงเอเตสเจนวติโวรวรยู วรตทูุราลูอนุตรูธรรมวรังเทตะเยจัมเปปุเตรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนสุวัติหูดูที่นังพระนังนาวันนัดจัมปะวัง วิรัตจิตใจติเกะปวัตมิงเตกินอินชาเอาวิรุณนิจันตามนิพันติทิรายทายัมปดิปู้ออีธรมติสังเกตระนังปณิตังเอเตนะตะเจนะสุวัตติหูนตู ยานีตะปูตานีสมากตานีพุมมานีวายงิตรักเกินตากตังเทวมนุษตปุยตังพุทธังนามาสามตัวที่หุตัวยานีตปูตานีสมากตานีพุมมานิวามันตริกตาตากระตังเทวมนุัย์ตะปุยตังธรรมังนามาจามสุวติหูตัยานีตะปูตานสมากตานีพุ่มมาเกินตากระตังเทวมนุษตปุยตัง สังขันมจามมาุวะติหูรวิมิตังเอกังตมะัันมิยมวิรติเจวเนนาะบินในกาตาอารมอัจฉริตริตวตอภิกันนิติยาอภิกันตวนาเกวะกกังเจตวนันปะเจตวเยนปัจจุบัเตปัังมีปัังกมีตัวัันตังอภิวาเทตุง เอกมนตังกทาตเอกมันตังกิตาคูตัติวตาเองกมันตังอาธายอัิยาพาติปะมูนดีวามมนุสา์จะมังกรานิจินตยุงกังกมานาโสทานังรุยมังกรมุดมัง อเสวนาจะพารนังปนิตาเนจเตวนาผู้ชัจะผูจชนิยังเอตมังกะรมุตตะมังปฏิลูปเตสวาโตจะผูเปจะกระดับปุญญาตาอาตสัมมาปณิตจะเอตมังกะระมังอาหะจันจะสิปันจ่ วินยโยนจะดุสิกิโตสุภาสิตานเจียวาจามเอตัมมังอะระมุตมังมาดับวิตูปัตนังพุทธะรัตสังฆวาอนากุราชกัมมันตาเอตัมมังอะระมุตมัง การันตจะดมัจริญาจะญาตะกันนนจะสังฆัวอันว่าานิกรรมนิธรรกรมุตมังอรติวิรติปปัมมัจปานนจะสัญญมู่อัปมาตจะทำเมสซธรรมกรมุตธรรมอาร ฉันว่าตัวจะรันตุตจะกะตันอยู่ตามกาลีนธรมสุวรรณงตมังกรมุตมังขันตีจะสู้วจสันตัสมานานจะทันสนังกาลีนธรมมาสกัจจอตมัง พระุมุตมมังระปญจะพรมจริยันจริยสัจานันรสนังนิพพานสัจจกิยาเจตมังกรมุตมมังขุรัศโลกระัมเมจิตังยัสนกรรมปติะโสกังวิรนกิมังเอตมังกรมุตมมัง เอตาิสานิกด้วนนพัตราจิตาสัมภรสติงกาจันเตจันเตสังมังกระมุจรามันติมหามังกรุตังยะาันปาวตัว ยากันเนวทัสสันเตปิงสนังยำมีเจวนยุนยันตุรัตินทิวมาตันติโตสุขังสุปฏิสุตูนจากป่าปังกินยินปัสสติเอวมาติคุณนเปตังปริตันตัมพนัง กรณมดกุตเรนยันตังตันตังบทังอภิษเมจตากูจูจตูจูวะจะสัวโจจัดสมุดูอนติมานีกันตุสักูนจะสุปรุญจะอัมปกิจวจะสันลูกกุติสันติตรยจะนิปกุจปะกบุกุเลตุจะคุนทาง เจเรินเยเนวินยปริเวตยงกินวะกมินหุนตุสเปสตาวันสุกิตตาเยเกจีปันภูติตัสสวาทวรวะนวเทตติเกวเยมันตาวะมัจมารัตกาณอนุกตุรานทิทาวะยิน ยาจิธาเย็นจะดูเลียวาสันดีเอาวดูเรยอตาวาคำพเวสีวามสับปีตตาปวนันอุตุกีตตาหน้าปรูปรังนิกูเพียนาติมันเย็นตะกัดแลทีลท่นั่งกินเจ ยารู้สนามปฏิกิัญญานานยมัญญาสตนุกมิใช่มหันตายธานยังกุดังอายุชาเองกัพุทธมนุราเกเอวํมปิสัพพะพุเตสุ มันะสัมบาวเยอปริมาณังเมตังเจรสปรูการสุนิมมานะสัมบาวเยอปริมาณังอุดังอัตุจริติยัญจะสัมบาธรรวิรังสัพปตังจิตันจรัง นิสินนวาสยานุวันยาวัตัะวิกมิมตัวเอตังสติงัติไสยพรมเมจังวิหารังอิธมาอิสินจาอันประคัมมติละวานัสเนนสัมปนูกามีตุวินัยะเทาัง ในชาติทุกปรสศัยยังคุณเรียนตีดีปฏิวิจารตินังทิดคมันตาคัดทางวิยายันนาเตติวิสังคุรังเตสันจามปิปริสยัง อนักเกตัมมิสัพพตาสัพพตาสัพพานินางปะปะโสปินิวาเรติผลิตันตอนามัยวิลุปกเเม่เมตังเมตังเอระปเทเม่ัพยัปุเติเมเมตังเมตังกันนกุณมะเกจ ปัตติกเอเมเมตังเมตังที่ปัตติกเเมจะพุทธิเอเมเมตังเมตังปงพุทธิเองม่มามัองอาปาตะกูวหินสมามังหินสิทิ่ปัตตะคู่มาเมองยตุปตหินสมามองิสปวงพุัวเปสัตตาสเปปนัเปปุราสจะเกวรา อภเพปตรานิปัสสังวัตมาเกิ่ยนจีปปมาคัมมอัปปมาโนพุตตวอมปะมานธรรมวอมปะมานนสังโฆปมะวันตานิอานวิจิกาเตินนาปิจระติกาดาม รักวางกตามิปริตังติขมันัวผูตานิทวงนโมว่ากัวตุนโมสัสะนังสัมมาธรรบูดานัวัดิเสมนันติพระมสันตัวมาธรรมตุขังอิสีนังโลกเกณฑ์นะุทสุปฏิสัญญา 阿หัตตะโชสฟิวัจจุปูอันเลนวิทัวยติโตบิสันตกาสวริมังนัุสยิะเจอ๊มังนาควาเรนสานจังมามังวันะปารมีคาคาชุน เตี๋ยเรนตัมปุติสัมภเรตนิปตน์โมริยนยังเยนจังวีตารังมหาจังวันนี้จราจิราชังวยมันตาปีเนวสิกทิ้งสุขันธิตุง รมันตันเตียคาตังปริตันตังปนามะฮอุดຈเตยันยกุมาเอกราชาริสุโนปะวิปปะโสตังดังมันซามิฤสวนังปะวิปปะสังทะยัจยักุตามวิรรมุติวะจังเยปัมนา เวนตกุสะปตะเมตินโมเตจังปาริยันตุมาตูปุระนังมัตุปโฎียะโมวิมุตตะังนมูวิมุตติยัอิมังตปริตังกัตวโมรูจารติเอตนาเป็นกุมเอกราชาลิทวนาบริโตตังดังมัสาลิทวนางมาวิบังตะกุตังกอุวรละติเงพุระนา เมกตาเป็เติมินโมตจมังปาริมาทุพุมาุพุนมูลโมนมุตโตบริตังโมโรติติอัติโลเกจังสุเตนะจันเกามิสัจเจกิริมันติปะคาปทนัตสันติปะาอามุจนาหตาปิตาจนิกันตาชาตเวตาปิมะ จาจเจกเทมยังมาปจิริโตสิกีวัดเชสโสรสากิสานิวตะกังปตวยธาสิกีสัจเจนมิสมูนเอตามิสัจจะปารมีติอิมเอวเมตุตังเอกังตมยังบกวาราชเกวรติเวรวเนกรันตะนิเปเทนโคปนัเยนายสมะมหากัโซ บิปปิคุฮาจงเวรติอาปาติโกทุกิโตฮัากิลานอาเดะกวาทายาทมัยยังปฏิสนหาุติโตเยนอาสมมากตโเทนสังปสังกมิตัวปัญเตอาเสนนิสิตินิสัจคุปะกวาทายามันรังหากตปางเอตทวู กาจิเตงกาตะปากรรมนิยังกาจิกรรมนิยังกาจิถูกข้าเวนธนาปฏิกมันโนอาภิกรมันเตปักกมุนังปัญญายเตนุอภิกรมูเต นภเมบันเดกมณียังนญาปณียงพนาทุกขเวทนาอาภิกมันติโนะติกมันเีภิกสา낭ปัญญาตโนะติกโมติลัทธิเมกัตปปูจังกาิยาธรรมระกตาปวมิตาปุรกตาปัญญาตัมโภเนาตังวัดันติันจเมตตันตัง สัุจงโกโกกัตปามยาสมนรกโตภาวิโตปารุกตอัมพอิญญายสัมโพรนิพานสังวัตติอมมะวิเชียสัมมุโกโกกัสปามหาสมมุกันภาวิโตปรกัตอพินญาสัมภพรันิพานสังวัตติวิยสัมมุระโกโกกัตปามิยสมัรกโตภวิโตปรุกโตพิญอัมพุนิพานสังวัตติ ปิติสัมพุชังคูโขกัสปามายาธรรมรักกต้ปวีโต้ปริกาโต้ปิญญาสัมบูรนิพายสังวตติปัจจติสัมพูชังคูโขกัสปามยาธรรมรักกาโต้ปวีโตปริกโต้ปิญญาสัมพุรนิพายสังวัตติธมะทีสัมพูังูโกัสปะ มยาสรระกตวิโตภริกตโปิญญาสัมรณิพานสังวัตติูมเคขาสัมปูชังผูอกันสปามยาธรมะรักตโตภวิโตปริกตโปิญญาสัมปรณิพานสังวัตติอิเมโกกสปาสัตูชังคามยาธมทักการตามวิตาภริกาปิญญาสัมปวรรณิพานสังวัง ข้ามพะกวาผู้ชังคาตังการสุขธรมผู้ชังข้าันติอิจมวูจัมภังกวนอัตมนอัสมามหากัสปุหกวโตอัิตังปินันติอุไรจัสมามหากัสปุรัมมาอาาธาสถาปิโนยิสมะโต มหากษตรตัวพาตุอาหูิติเอเมตุตังเอกังตุมมกวาราจาคเหวิรติเวรุนีกรณกานีปาเปเตนะโอนัสมะเยรสมมหมุกรณโอิจกุเตปปะเตวิรติอาปติโกตุโตอนกิลาน อาจาคูวะผังกว่สายนัสมัยยังปฏิสันนุบุติโตเยนัสมามหามงลละนเต็นปัจจังก็มีปัจังก็มีทวาปัญญาติหาเสนยนิสิตินิสัจโคผกว่าอายุสมานตังมู่มามูกัลลานังเอตระอจามกจิเตมูกัลลานมณียัง กัจจยาปณิยังกัจจิตุขาวิธนาปิกมันติโนะปิกมันเตปิคัมูตานังปัญญาญาติโนะปิกัมูเตณเมปันเตกมณียังยาปณิยังาะเมตุขาวทนาปิกมันติโปิมันเตปิกมูตานัง พญายาตินุปุตตมุติจตมีมุครานะเบชังกามยานมรักดาปวิตาปริกาตอมพญายาตมพุทธายานิพานายสังวันติกตเมสัตตาสติสัมปูังสติสังกูอมุครานะมยานตมรักกาโตปวิตโตปริกาโตพญายาตมพุรานิปานสังวัตตะ อรรมวิจิตรธรจังโคขุมกรันมียาธรรมตะกโตปวิโตปริปิญญาธสัมปูตายนิพพายัสังวัตติวิยาธมรมจังโคโคมมกรันมยาอมตะกะโตปวิโตปริกะโตปิญญาธรรมปูตายนิพพานยสังวัตติปิตธสัมจังโค โูมูกันลานมยามธรรมรักตวภวิตตปริกตปิญญาสัมโพไดนิพายสังวัตติวัตติสัมปูชังผูมูกลานมยาธรรมะรัตภวิตตปริกตวปิญญาสัมบูนิพายสังวัตติธรรมานิสัมปูชังผู้ผูมูกลานมยามธรรมะรัตัว พาวิโตภูริกตวิญญาณสัมภูริิพานสังวัตติเปฆาสัมภูจังกูโมุมมุขรัมายาอรรมรกายตุพาวิโตภูริกตอาิญญายสัมภูทายมิพานายสังวัตติอิเมโคมขรรณาสัตตุจังคั มัยยสมัจจาการตามความวิตามบุรีกตะอภินญาอิสัมโมดานปัญสังวัตติตีดังกรรมปกวะผู้ชังกาตากาสุกตาผูา้ชังพาตียิตมะวนจากภกวอัตมโนอาจิสมามามุกลโนระกวะโตปัญจพินันทุ มุทะย์ใจยรรมะมามุกรณูนตรมาปาป่าทาตะถาปิณวใจมตุงมามุกรณูปาตุอาหสดีเอวเมตุตังเอกังสมยามกกว่าราชเกวรติ ในกรณการนิพานเตนโกปนัตเยปขกวะอาบัโกเตตุโกพันกิลานอทโกอจตมมาจุนโตสายนสมยังปะสิสันรานาวุติตูเยนอกกวันเตนุปจังก็มีปจังก็มีตัวของกงวันตังอภิมาเตตัว เอกมันตั้งนิสิติเอกมันตังนิจนโอายตมันังมาจุังกวะเอตรจาปริมนตังจุดผู้จังการท่ดตันเผู้จังการปุกุมันตาตุมรกาปะวิตาปริกาาอภิญญาญาสัมูรัญภัยญสังหะัน กระดมเมตตากระติสัมภชะโกโกปันเตปะกุวตาสรรมระการตุภวิตโตภวิกระตัวปัญญาสัมภูรยะนิพพานายังสัมวัตเตะธรรมชียสุภชะโกโกปันเตปะกุวตาธรรมระการตุภวิโตภวิกระตัวปัญญาสัมภูรยานิพพังวัตตวิยาสัมภชะโกโกปันเตปะกุวตาธรรมระโตุภวิโตภิกรต ยยยสัมผูทายะนิพานนยสังวัตเตปินที่สัมผูชังผูผูพันเตมคำคว่าสมัชชากาโตภาวิโตบริคโตอาพิญญาสัมผูในนิพานนัยสังวัตเตปัจจูบันเต มังกวัตาสัมรักาโตภวิโตภมิตโตอภิญญาสัมพริปายสังวัตติสมาดิมสังโมันเควนกาโตวิตโตภิกาโตอิญญาสัมปุรนิปาสังวัตติเปขาสัมพชังกู ผู้ปัเตปัจจุบันสัมมาทคขาตัวมหาวิโตบุริคตัวปิญญาสัมผูทายะนิพนายสังวัตติอิเมผู้ปัเติจตภู้ชังข้าปัจจุบันสัมมาทัคาตา อาวิทาพริกตาบิญญาทัมภูธาเยนิปานสังวตันตีตีตากาจุนดาผู้ช่างฆาตากจุนราพูจั่างฆาตีอิตมมวุจัญญาสมามหาจุนโทมันยยจันทา หูสีตีบุตรเจ้ามกุฎาตมะพาธาตาธาปิณูจันทรธาพักวตุตูอาพาตูอาหูสีตี สันเณรสัตสนสาธุสมตอมุนเสจเดสทากิปิรสกัลปิปิสารนัจตสันนมหิสายจักติยายันเทเทติมาวิรูวปิตันตํ์คนัม วิปัสสสมาทิฏฐมัตตาสสมาทิฏสกิจสเปนมตุสัพพุตันกัมพินวเวสปุตตบตุนาตกาสปตนมตุกตุสันมรเซนบุญกณนักมานัสมัตุพรมตสุิมตุกะสปาตมตุวิปมุตตสัพติอังเกยสมตุสปุตันสริมตุโยมังธรรมเทเสสสัพตุขามนุรนาัง เยจ่าปินิพุตตาโลกเกตาพุทังนิพพสิสุงเตจนาปิสุนามหันตาวิทสารทาภิตังเทวุนทั้งยังนมัสสิกูตะมังวิชานจรณะสัมปันังมหันตังวิทสารธางเอเตจันเยเจสัมพุตา อเนกตตะโกนสเปปุถานสมตมาสเปปุถามิติกาอเปตตารูปเปาเวตารืเทวกาตาอาเปตปติชาณติอาสพันธานมุตมมังตีนาจังนตันเตเตปริสาสวิสารธารมมะจกังาวัเตนติโลกะอปฏิวัติยังเปตาปุะธรมเมทารสัยนายกาปวติง จาริกนเตตาสิระยานกยัญชนาราพยามามอภิาญสุปภาคาเปตมุนิคุญชราอุทานสะันยูนเอเสนสะเปกินาตวะจินามอภามาตชามาปัญญาอราหากานิจาดิรา อเปสานังท an um ุกขวาดทิปานนธาปิตาจทานาเลนาจะปานินางติบันกุมาสาสันต์นาจะยิเตศนูวันติวักสโรกัสสเปเทปยายนเตจางศิรสาปเตวันทามิคฤุษฐไม่โวจะสามนาซาเจวะวันทาเิเตตตะตะกเต ใจเนี่ยตนตันีกมัเนจ่าปิสัปตาตระเกนรักันนุปุาปันติกราตุวังเตยตวังรักอีโตสันโตะมุตโตจะสัพปะเยนจะสัปรูกวินิมุตโตะปสันตามปะวจีโตัปปเวรมติกันโตนิพุตจะดวังปะวะเตสังสัจเนาสเรนาปันติเมตามบรณัจเจ เปตุ้มอานุราคันตัวรู้แกเยนนสุเกนาจาพุปติมาสมิงทิสาภาเกสันติภูตามมหิติกาเตเปตุ้มอานุราคันตัวรู้แกเยนนาสุเกนาจาทักกินสติมิงทิสาภาเกสันดิเทมว่ามหิติกามเตเปตุเมอานุราคันตัวรู้ เยนะสุเกนะจาพจามหัศจรงทสาพระเกสันตินาคามีตีการเอิทุเมหนุรกันตุรู้กเยนะสุเกนะจารเัศมิงิสาพะเกสันติยาาไม่ติการเิทุเมอันุรกันตวรู้กเยนะสุเกนะจา ภูรติมาติสังทัตระทัวนักินเนวิรุณอากัวปชิเมนวิรูปคูุ่เอโรอุตรังติสังจตารุเตมาราชาลูกกับราชสิโนเตปิทเมนรักกันตุโรกเย็นสุเกนอาจา อากาสันตาจะบุหมาตาเทวนาคไม่ติการเตเปตุเมนระันตูรู้จะเย็นสุเกนะจานติเมสนั่งเงินยังพุโตเมสนั่งวรังเอเตนะสัจมาพุโตเตจะยังมงกรังนติเมสนังเงินยัง น a โมเมย์สนังวรังเอเตนัจวัฒนูตุเตชัยมังกรังนาติเมย์สนังอัญังสังคูเมย์สนังวรังเอเตนัสจวัฒนูตุเตชัยมังกรังยังกินจินรัตนังโลเกวิจเตวิวิหัง n ุตุรัตนัง มุตตสมังนติตัสมาโตทีพระวันต an ุเตยยังกินจิรัตะนังโลเกวิจเตวิวิทังปุตุรตะนังธรรมสมังนติตัสสมาโตทีพวันตุเตยยังกินจิรตตะนังโลเกวิจเตวิวิทังปุตุรตะนังทังัสสมังนติตัสมา ตทีพวันตูเตอาิอุณสาวิเชยูตมโลเกอนุตโรตัปตะตายตตังตุณนยเทวเตมปริวเชราชาตันเดมนุเสพะเกปิจเกนเกวิเศภุตกาศมะเรสพัสสมามรนตัวเปตตวาการมะริตัง ตเสวันภาเวนาตุตเตวสุขีสตาตุทสีลังตมาตยธรรมังตุจริตังจรเรตเสวานภาวนหูตุเตวุุีสตาตทสีรังตมาตยธรรมังตุจริตังจรเรตเสวานภาเวนาตุเตวุุีสตาตทสีรังตมาตยธรรมังจิังจเรตเศวนุตตวลีจังจินตัง จังธานังวจนังกรุงพระสังเทสนังสุตุวันตาสาอุปวัตติติสกตวพุทธรัตนาโอสถาุตมังวรางีตังเทวมนุสานังพุทธเตนาสุนันบรสัพเททุขาอุปสมตุเต อยากการตววนธรรมรัตนัโอสถังอุตมังวรังปลลังปัตมนังธรรมเตจีนัสตินานาตังปัตวสเปปยาวูปตเมนตุเตอยกกาตัวสังกรัตนังโอสถทางอุตมังวรังนามในยงป่าในายง สังฆเตเฉนสุทินามนาสันทุปตจจวาะเพโลคาวุปัจเมนตุเตเพศจังเกิมนุสนหังกตุกังกิติการสังอัมพุลังลวเจสปปุญญาทิวินาสันตัวเอขตุวิจติปัญญาชาติธายาวตุกาวินาสันตัชีวิตนังตันตุเตชีวิตนังตัณตนาซายุวานังสุขังบาังชีวิตนังป่าเวนะ รูเทวีชีวิตนางยโยตตัวโอสตั้งตมังวรังเสริังทุกังนาเตติเปสจังนานมุตตมังตัตมากรายะกัญญาณังนิจิยังสัมปรายนังปุญญานิปรลโนกาสมิงปฏิทาอุติปานินางอิมินาชีวิตันเห็นนตุมากรังจิงภวิสติตีกายุกากระทามุสกิตังทุสปะดา โยชนกระจังติระวันเตใสสุนันรังมจะนามะปรังเอวังมยติกายสัตนำยสัมปทาตัสมาธิราปสังสันติปันฑิตากตปุญญตันติอติวณัตตันวิจุปนิติตกระพีิโยวิวาันยุสับปรูปู วินาสตัวมาเติมเพราว่าตัวนตรายวทธ์ทุกีติงกายุกรมพงวาพิวันธนเสียิทศนิจังอาวุธชามปจานวินุจตารุธรรมาวัทันตีอายุวันูทุขังผา มาปินิมิตสาบุตรังคริเมกรังุทิตโกราตเตนมารังหานาจตมวิชนาจิตวามุนิโตตันเตสะบุตรเตจิมังราณีมาราติเลกมาวิสุทธโครัมปนาลวมังคุณันเตสันตวิชนาจิทวามุนิโตตันเตสะบุตเตนาราคิลงชวรังที่มัตตุตัง อาวักิจมัีสุานันตังเมมเตวิตินาจิตวมิตันเสาตเตชัมังกราิตักมังตังังทาวันติยัุนยติปังมนโรจิตวามุนินโตตันเตสาบุเตมังกรานกวันกตรงวคปยจินใจตุตังกามิจิตันเตาจิตวตันเตยมังกรานจังิหายมติสันจะกวาเกตุ วาตาปิโปนตปัญญาปันเตสุตเจมังกรานนันโบนันุกัพุทังมาจิณกุเตระเทรมมาปยัตัวอิทูปเตวินาจิตวามนิโตกันเตสุวุตเจมังลูาทิตุจาเกนตตาังพระมสุติุติุรยานาตวินจิตวามนิโตันเตจสะบุเจ เบตาบิภุตเจเจมังกรอาะตายอยู่วัจนโอตนาตินตรตมัตจิตวันเนคธานจุปะทุวะจิโมกุกไมนาอยู่มกรกนาตสปนา ผูเลตัวปารมีกับบาปตุํำผู้ที่มุตัมังเอเทนะสัจจวจินาอุเทชยามังกรังจิยันโตโคติยามุเลสกิยานังนันทิวันตโนยว่างตวังวิเชโยโหเยเจยาสุชจยมังเกรปราชิตปัญลังเกสีเตมเสกสัพพุตระทุกเรกภะปิสสเกสัพพุตระนังกัมปตุปโมตติสุนักกตัง มังกรังกปะรังกุกโนุมโต้ดุยตังรมจารีกุปตะกินังกายกมังจาปกินปะินมโนกัมังปณ้ทิเตปตะกินาปตะกินานิกตัวนราปันตเตปตะกินนทุกขปตาจะนิทุกขพยพยัมปตาจันนิพยายาสุกับปตาจะนนิสูกานูนกุสัพพิปันนัว เตวตาจำมิสัมปทังุญยสัมปทังขปิเทวานมุนทัพสัมปติสิธิยาฐานัรัันตุตายติลังลักขันตุสัพาภาวนาบิรตาหนตุขจันตุเตวตากตาขปเพุทธาปรปตามปเจกนันจะยังพลังอาลานตานัตเตชินะรักขังพันธามิสัมภู ปวตุสัพมะมังคังรักกันุสัพปฏวตาอาปะพุทานภาเวนัสธาสุติบนโพธิลักภะโพธิวักษัพธรรมัสถาตุีบนปวตุสัพมะมังคังรักันุสัพเทวตาปะสังขานภาสตาตุตีบนวันติอายุวตโกวัตโกติริวัตโกยัสวัตโกปวัตโกวันวัตโกทุวตโกโหดุสัพปทา ดุกรูกายาเวราโทกาตุตุปวันเหการตรายปิวินาสานตุจะเตชะซาเจยสิทธิตนังลาบังโตุตีปกยังตุขังครังสิริอายุเจวันนนเจโพคังปุถีเจยศวะสตวสายายุจะจิวสิทเตกวันกุเตมอุมปุทานังอุปาทัวสุขาเจตมะเทศนา สุขาสังขัดสมเกตธรรมการตโพธิโกขติโยเตโตจเนสังมิเกโธปัญชาณิโนวิชาญจรณาสัมปนัวสตสโทเตมุเตสุนิวัตปฏิทิจุติมาปฏิจันติมาตนะโตปติโยตปฏิจเยตปิปรเมนะรัสอะลูกยาปรมาลาปา สันตุเทียนปรมังทนางวิสาสะปรมายาติปันญปรมังสุปกรม